เจะทำบัญชาแล้วก็ฟังธราร่วมกันนะการฟังธรรมก็คือการฟังเพื่อเป็นแนวทางนะให้เราเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติต่อวิธีการที่เราฝึกหัดเนาะเรียกว่าเป็นวิธีการเจริญสติ การจะเดินก็คือการพัฒนานะพัฒนาให้มีสติมากขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราไม่ค่อยมีสติเนาะคือไม่ใช่ว่าเราขาดเป็นคนเป็นคนอ่าป่วยทางจิตเวชถึงจะเรียกว่าเป็นคนขาดสตินะอันนั้นอันนั้นก็เป็นโรคหรือเป็นความ ผลกรนะอบของร่างกายอาจจะรวมถึงจิตใจนะในระดับที่หนักเนาะแต่คนทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าขาดสตินะคําว่าขาดสติคือว่ากายกับใจเนี่ยมันมันอยู่คนละที่เนาะกายนั่งอยู่ที่นี่ใจไปบ้านใจไปอดีตใจไปอนาคตนะอันนี้เรียกว่าขาดสตินะ หรือผีใจแล้วก็ไปอยู่นะกับอะไรก็ไม่รู้นะ่ะส่วนใหญ่ก็ขาดสติไปกับความคิดนะ่ะหรือขาดสติไปกับอารมณ์ที่มันกระทบนะเห็นสิ่งที่มันชอบก็หลงไปอยู่กับสิ่งที่ชอบเห็นสิ่งที่มันไม่ชอบใจก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเองเพราขาดสติเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องป่วยเท่านั้นนะ แต่คือการที่กายกับใจเขาไม่อยู่ด้วยกันกายทําอะไรเนะ่ยแต่ใจ เ, เรียกว่าไม่อยู่กับสิ่งที่เรากำลังกระทำนะนั้นสิ่งที่เราฝึกนะถ้ากายทําอะไรก็ให้ใจรับรู้นะในสิ่งที่ทําไม่ว่าเราจะยืน่นะก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัว นั่งก็รู้สึกตัวนอนนะก็รู้สึกตัวจะกินจะดื่มนะก็ให้มีความรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าเรามีสตินะไม่ขาดสติก็ทําไปอ่บบนี้นะให้รู้สึกตัวในทุกขณะที่เรากระทาสิง่งตา่างๆกำหนดรู้ไปเรื่อยนะกำหนดรู้ไปเรื่อยถ้าคนใหม่ๆก็อาศัยเจตนาสักหน่อย ใส่ความตั้งใจสักหน่อยนะเพื่ออะไรเพื่อบางทีเพราะว่าถ้าเราฝึกใหม่ๆเนี่ยเราไม่เคยฝึกมาก่อนหรือว่าบางทีเราก็ฝึกแบบไม่ค่อยต่อเนื่องนะฝึกแบบเป็นปีนึงก็มาแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกเลยเนี่ยถ้าแบบนี้นะให้มีความตั้งใจสักหน่อยคล้านยะ ใ, <c oughs> ให้มัน สมดุลสมดุลคือแต่ก่อนมันฟุ้งเยอะแต่ก่อนมันขาดสติเยอะคราวนี้ก็ให้ตั้งใจให้เป็นสมาธิสักหน่อยนะให้เป็นสติสักหน่อยนะตั้งใจเข้ามาอาศัยรูปแบบอาศัยรูปแบบนะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยอาศัยรูปแบบตั้งใจให้มีสติอยู่กับกรรมฐานที่เราทำนะแล้วก็อาศัยความขยันนะขยันขยันเคลื่อนไหว ขยันเคลื่อนไหวเพื่อเพื่อจิตมันกลับมาบ่อยๆบางทีถ้าพอนิ่งๆปุ๊บเนะี่ยจิตมันจะไหลออกไปข้างนอกค่ะบเราก็เคลื่อนไหวขยับให้มันจิตมันเกิดการกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจับตัวเองนะมั้จับแตะให้มันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นขยับให้มันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะส่วนไหนก็ได้นะมันสามารถสร้างความรู้สึกตัว กรรมฐานจริงๆก็คือการสร้างการพัฒนานะการทำให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ในชีวิตประจาวันเราก็พยายามใส่ใจนะใส่ใจในการรับรู้ในสิ่งที่เราทานั่นแหละบ่อยๆนะมันจะเป็นการพัฒนาสติให้มันเกิดขึ้นได้ได้บ่อยขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราฝึกหัดนะ สิ่งนี้เราฝึกหัดแต่ในขณะที่เราฝึกหัดนะหรือในขณะที่เรามีชีวิตประจำวนะนะันนะกิเลสนะเขาก็เขาก็ทำหนะ้าที่ของเขาเหมือนกันนะ <c ười> กิเลสเขาก็จะเข้ามาแทรกนะเนืองๆแทรกนะอ ย, อยู่บ่อยๆนะหนะ้าที่เราก็คือรู้เท่าทันเขา เราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปอย่าไปบังคับไปกดข่มเขาเนะี่วิธีการเจตสติเนี่ย ไ, ม, ไ, ม, ไม่ไม่ไปกดข่มไม่ไปบังคับไม่ไปห้ามกิเลสไม่ไปห้ามความคิดนะสิ่งที่เราทําคือรู้อ่ะรู้ว่าเขาเกิดมาอ่ะรู้แล้วไม่ทําตามเขาคือเรียกว่าไม่ห้าม แล้วก็ไม่ทำตาม <c oughs> รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆ <c oughs> ถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบเงินกับคล้ายๆถ้าเราไปไปตลาดเนาะมีคนมาเสนอขายสินค้านะขายของเนาะเราก็ห้ามคนขายไม่ได้นะแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขานะเขาจะมาเสนอสินค้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้อนะันนั้นก็ เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราก็แค่ฟังเฉยๆแต่ถ้าเราถ้าเราหลงกันหลงก็คือหนึ่งก็เพลิดเพลินไปกับคำคำเชิญชวนหรือคำ น, ำานําเสนอของเขาเราก็หลงไปซื้อของเขาแล้วนะหรือว่าเราไปรำคาญไม่อยากให้เขามาพูดแซาซีล่ำไยายนี่ น, น, นี่ก็คือหลงอันนี้เปรียบเทียบ น, นะ ถ้าเป็นสินค้าที่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราก็ไปหลงเชื่อนะตามคำเชิเชวนของเขาจิตใจเองก็เหมือนกับนะกิเลสมันก็มามายั่วยวนมาเสนอนะให้เราหลงไหลไปกับอารมณ์ให้หลงไหลไปกับความคิดนะเนะี่ยมันก็เราก็หลงไปในกับกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆหรือบางทีมันก็ ถ้าลมไม่ดีเนะี่ยมันก็จะทเราก็จะเผลอไปพยายามจะห้ามไปกดข่มเขาแต่การเจอิญสติจริงนะแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆเนะี่ยถ้าพักหนึ่งนะเขาก็จะไปกับเขาเองบางทีก็ไม่พักเงหนัหกไปตอนนั้นแหละพอไม่สนใจรุปมเนี่ยมันมันจบทันทีเนะี่ย หรือถ้าบางทีใหม่ๆเ้าก็อย่าเพึ่งไปสนใจไปดูมันมากว่าเพราะบางทีมันถ้าเราดูแบบไม่มีเสเติมันจะมันจะดูแบบลุ้นนะลุ้นว่าเมื่อไหร่ความคิดนี้จะหายเมื่อไหร่อารมณ์นี่จะหายนะเมือ่อไหร่ความฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ความง่วงมันจะหายมันจะดูแบบลุ้นเ <c oughs> อย่ยเพิ่งสนใจเลยก็ได้นะกลับมาใส่ใจที่น่น ท, ที่การกระทำก็ได้นะ กลับมารู้สึกตัวทำอะไรก็กลับมารู้สึกตัวแต่ไม่ใช่กลับมารู้สึกตัวแล้วก็เนี่ยแะเพื่อจะด่มอารมณ์ขมความคิดนะไม่ใช่ก็กลับมานะหาฐานที่เราทำนะหาร่างกายที่เราเคลื่อนไหวนะแล้วก็กลับมารู้สึกที่ตรงนั้นเราก็รู้นยะเราก็รู้จิตใจอยู่ว้างแต่พี่เนี่ยว่าอย่าไปดูมาตรงๆนะการดูร่างกายนะ การดูร่างกายเนะี่ยเราดูลงที่ปัจจุบันนะทำอะไรก็รู้สึกตัวลงที่ปัจจุบันนะดูที่ปัจจุบันแต่การดูจิตใจดูความคิดเนะี่ยเราอย่าไปรอดูก่อนนะไปดับดูก่อนไม่ได้มันต้องโผล่ขึ้นมาก่อนแล้ว เ, เราค่อย้ว เ, เราค่อยดนะูคยๆง่ายนะเหมือนเดี๋ยวก็นั่งสบายๆ แต่ถ้าเราแบบไปตั้งใจมากอือจะมาจะพูดอย่างไรเนี่ยใจเราไม่ส่งรอละอันนี้มันถ้าช่วงไหนที่มันเป็นเงียบๆ เ, เนี่ยเราก็จะเราก็จะจิตใจเราก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่จริงเราก็นั่งกส บ, บายมีเสียงขึ้นมาเราก็รับรู้การที่ดูจิตใจก็เหมือนกันคือมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก่อน ถ้าเราก็รับรู้อ๋อเมื่อกี้มันอย่างนั้นเมื่อกี้อย่างนี้นะเราก็เห็นละนะนเห็นนะว่าจิตใจมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยนี่คือการดูจิตใจนะมันจะสลับกันถ้าในในการปฏิบัติเราก็มีกรรมาฐานนะเราก็ดูงั้นมีสตดิดูกายไปเรื่อยๆดูกายไปเรื่อยๆแล้วบางทีความคิดมันก็จะเข้ามาแทรกนะเข้ามาแทรกถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราดู ดูทีวีนะเรานั่งดูทีวีอยู่อันนี้เหมือนเราดูกายเป็นกรรมฐานหลักแล้วอาจจะมีคนเดินมาผ่านจอทีวีนะเอามันมาแท้<ม>เราก็เห็นมันมเพราะเขามาบังทีวีละวนะเราก็เห็นพอเขาผ่านไปเราก็เห็นทีวีใหม่อันนี้มันก็จบไปแล้วแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราหลุดนะเราก็จะตามไปกับคนที่เดินผ่าน คล้ายๆถ้าเราชอบอะไรเนาะบางคนชอบนก น, นกบินผ่านมาล้วก็ตาไปดูมันบินไปไหนไปเกาะกิ่งอะไรมันสวยมันสีแบบไหนอะไร่างนี้เนาะบางคนชอบรถนะก็คันนี้สวยดีแล้วก็มองเข้าไปบางคนชอบมองคนในรถวั <c ười> นนี้เขา สวยเขาหอเขาเป็นอะไรนะเขก็ตามไปนะ น, นี่นี่ก็คือตามไปกับอารมณ์นะหรือบางคนก็ลำคาลนะลำคาญสิ่งที่เกิดขึ้นการลำคาญก็คือการหงุไปในรักษณะหนึ่งนะนะให้เรารู้ทันนะในการปฏิบัติธรรมนะในการเจริญติเนี่ยเราให้ทาแบบทำแบบเรียกว่า สบายๆทำแบบผ่อนคลาย <c oughs> มันเหมือนขัดกันนะมีความตั้งใจ <c oughs> แต่ตั้งใจแบบผ่อนคลาย <c oughs> <c oughs> มีเจตนาในการรู้สึกตัวนะแต่ไม่ใช่ทำด้วยความเครียด ทำด้วยความผ่อนคล า, ายนะทำแบบอมยิ้มสัหน่อยนะเวลานั่งปฏิบัตินะเรื่องต้นนั่งอมยิ้มนน้อยนะข้างนอกด้วยนะใบหน้าด้วยก็ได้รู้สึกตัวนะใบหน้าเรายิ้มก็รู้สึกตัวนะหรือใจเขายิ้มข้างในนะเราก็รู้สึกตัวอันเนี้ยรู้สึกตัวได้แล้วนะเราบางที มันเ ค, เครียดมากแล้วก็เปลี่ยนมยนะขยายาตัวหรือนะพยายามใบหน้าให้ตื่นความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นนี่คือเราก็สร้างสติขึ้นแล้วนะนี่ยไม่จำเป็นว่าพอปฏิบัติธรรมะเราจะต้องขึงๆต้องเ ค, เครียดนะต้องนิ่งๆ น, นะบางทีมันนิ่งข้างนอกแต่เปดูข้างในมันนิ่งหรือเปล่าที่จริงสิ่งที่นิ่งจริงๆนะ คือนิ่งสงบข้างในนะแต่คำว่าสงบในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่มีอะไรเลยนะแต่มันเหมือนคนที่ที่สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆปรากฏการณ์ต่างเกิดขึ้นมาเรานิ่งสงบในการดูสภาวะนั้นนะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสภาวะนั้น ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราอยู่ในตลาดนะแ้วเราก็นั่งดูผู้คนนะเขาเดินผ่านมาผ่านไปฟังผู้คนเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใจเราก็เป็นผู้สัเงเกตุขึ้นก็เห็นทิ่ศต่งางๆมันผ่านมาผ่านไปมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จักไปดูแบบนั้นดูเฉยแต่เป็นแต่ว่าการเปลี่ยนการดูที่จะไปดูคนอื่นก็กลับมาดูดูสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละ มันเกิดยังไงล้วก็ดูอย่นะ า, างนั้นถ้าทําแบบเนี้ยมันก็สนุกนะปฏิบัติธรรมมันก็จะสนนะุกมันก็จะมันมีความเรียกว่ามีความมีฉันทะนะนเป็นความพอใจในการที่เราเห็นเห็นตัวเราเองชัดขึ้นเนะี่ยพูดแบบผู้แบบสมมุติว่าเห็นตัวเราเองนะคือ คำว่าตัวเราเองในที่นี้สมมุติก็คือร่างกายกับจิตใจที่มันแสดงสิ่งต่างๆแหละมาสนุกดูนะอะกายเคลื่อนไหวนะแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ดูนะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ดูเขาความปวดความเมื่อยความง่วงมันเกิดขึ้นมานะแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ดูนะพอเราเปนปวดเราก็เปลี่ยนทันทีเวลาเป็นง่วงเราก็เปลี่ยนทันทีนะ เรือทีเราก็ทำตามมันทันทีนะหรือเวลามันคิดเราก็ไม่ได้ดูนะเราก็ทำตามความคิดทันทีนะนี่คือเราไม่ได้ดูเราทำตามมันทันทีนะอารมณ์ความคิดเนี่ยมันต่างเราให้เราทำตามมันทันทีแต่ถ้าเราดูล้วนะมันจะเห็นเห็นเขาเกิดเขาดับนะก่อนมันจะคิดมันก็ไม่คิดนะ ความคิดก็เกิดขึ้นมาเราก็เห็นเขาเกิดขึ้นมาพอเห็นแล้วเขาก็ดับไปเออก็ดีนะนี่มันเห็นนก่อนจะคิดมันก็ไม่ได้คิดพอมันคิดขึ้นมาเราก็เห็นมันเฉยเห็นมันเฉยปุ๊บมันก็ดับไปของมันเองบางคนอาจจะไม่ทันเห็นตอนก่อนที่มันจะคิดแต่พอมันคิดแล้วอ่ะรู้สึกตัวอืม พลเราต้ือตัวปั๊บความคิดก็ดับไปบางทีบางคนอาจจะรู้ช้านะมันคิดเป็นนานแล้วค่อยรู้อะไม่เป็นไรรู้ตอนไหนก็ตอนนั้นนะพอรู้แล้วถ้าก็อย่าไปใส่ใจกับความคิดนะก็ก็วางไปก็วางไปเนี่ยทําแบบนี้ง่ายๆเนาะพยายามฝึกสติก็คือทําให้มันต่อเนื่องนะทําให้มันบ่อย ไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรขึ้นนะก็ช่างของมันพอช่า <c> ง <oughs> ของอมันก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะสะดับไปเรื่อยๆนะอย่าไปบังคับที่จะรู้แต่อย่างเดียวนะบางทีถ้าไปบังคับรู้แต่อย่างเดียวนะมันจะมันจะเป็นการไปกําหนดมากเกินไป แม้เราอาศัยรูปแบบในการเคลื่อนไหวแต่เราก็ไม่ใช่ไปบางคังว่ามันจะต้องอยู่กับตรงนี้อย่างเดียวนะไปอยู่กับอย่างอื่นไม่ได้นะแต่ตรงไม่ได้เลยไม่ใช่นะมันเหมือนเป็นงานหลักอยู่มันเหมือนเป็นเหมือนเราทํางานนะในแต่ละวันเรามีงานหลักเรามีงานหลักแต่จริงเราก็ยังสามารถทํางานอันเล็กอย่างอื่นได้นะงานหลัก อาจจะเป็นการมีสติในการรู้กายแต่เวทนาหรือจิตหรือธรรมที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูมันเนีเราก็เห็นมันแล้วก็ว่าปฏิบัติธรรมคำว่าเข้าใจธรร ม, มะหรือรู้ธรร ม, มะนะหรือมีการพัฒนามากขึ้นจริงๆนะที่จริงคําว่าธรร ม, มะในที่นี้ที่จริงก็การเห็นกิเลส น, นี่แหละ เห็นสิ่งที่มันมาย่ยยวนหรือชวนให้เราหลงนั่นแหละนะคือเราเห็นเห็นมันแล้วเราไม่ไปทําตามมันนะเราไม่หลงไปกับมันเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมะนะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมบางทีมันไม่ใช่ว่ามันจะสุขมันจะสบายมันจะสงบตลอดนะปฏิบัติไปแล้วบางทีมันก็ง่วงฟุ้งซ่าน เกิดความคิดนะในทางไม่พอใจเกิดความเบือ่อเกิดอารมณ์อะไรต่างๆเยอะๆมากมายนะแต่ให้เราเป็นผู้เห็นนะอย่าเป็นผู้เป็นกับมันมันจะเกิดอะไรนะมันก็ถูกของมันแล้วทำไมมันถึงเกิดความง่วงนะก็เพราะว่าจิตอะมันไม่เคยชินนะมันไม่เคยชินในการที่จะอยู่กับกายบ่อยๆแบบนี้ จิตมันไม่เคยชินในการที่เราคล้ายๆเราไม่ตามใจมันอ่ะนะมันก็เพราะว่าอะไรถ้าปกติมันก็อยากดูก็ดูอยากพัก ก, ก, ก็พักอยากทำอะไรก็ทำมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยแต่เนี้ยเราเราคล้ายๆเราตีก่อมันให้มันอยู่กับตรงนี้บ่อยๆอยู่กับตรงนี้บ่อยจิตมันก็ไม่เคยชินมันก็ง่วง ม, มันก็เบื่อ <c oughs> แต่ที่จริงมันดีนะมันคือคล้ายๆมันทาให้เราได้เห็นนะแต่ก่อนเราเบื่อเราเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนมันง่วงเราก็ไปทันทีนะแต่พอเราเออมันเบื่อดะก็เห็นมันอยู่แต่ไม่ไปจมในความเบื่อมันง่วงก็เห็นมันอยู่ไม่จมกับความง่วงแต่ทําไงให้เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะ คล้ายๆคล้ายๆถ้าเราอยู่ในความมืดเนาะแต่เรายังมีไฟฉายเดินนะมืดก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามีไฟฉายเดินได้ในท่ามกลางคว า, ามมืดอุดม์ต่างๆมันก็เป็นแบบนั้นนะเราจะเปลี่ยนให้มันหายง่วงไม่ได้เปลี่ยนให้มันหายเบือไม่ได้แต่สติอ่ะเหมือนกับไฟฉายให้เราเดินอยู่ในท่ามกลางตรง น, นั้นแหละ แต่เรามีเครื่องมือให้เรามีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะพยายามขยับยบ่บอยๆนะเพื่อสร้างสติบ่อยๆนะมันจะเบื่อก็ช่างมันจะง่วงก็ช่างช่างของมันจยไปสนใจมันนะแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาก็พอละมันจะดับไปมันก็มีเหตุของมันให้ดับนะมันยังไม่ดับแต่วม่มันก็ยังมีเหตุให้มันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไว้ก่อนนะ นี่คือเราก็วางใจแบบนี้นนะเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดความคิดต่างๆขึ้นมามากมายเพราะว่าอะไรพอเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ไปอ่านนั่นอ่านนี่ไม่ได้ไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปทํางานอย่างอื่นจิตมันก็จะผุดอารมณ์เก่าๆที่มันเก็บไว้ในใจนะเอาไาคิดนะ เรื่องราวต่างๆที่มันเคยผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายปีมันก็โผล่ขึ้นมานะมันเป็นธรรมดานะบางคนนี้ทำไมปฏิบัติธรรมแล้วมันพุ้งสร้างเัื่อเก่าปฏิบัติแล้วเรื่องที่มันเคยดืงแล้วมันก็กลับมาคิดอีกคล้ายๆมันสัมลออของเก่าอะเอามาโผล่ขึ้นมานะแต่ที่จริงมันคือการที่เราได้เห็น เห็นอารมณ์ที่มันเคยเก็บไว้ในใจนะพอมันเห็นละมันจะไม่จะเคลียร์ออกไปมันจะเคลียร์ออกไปถ้าอย่างถ้าเก็บเหมือนกับบ้านเรานะในห้องนอนของเราเนี่ยมันก็มีอะไรที่เราเก็บไว้มากมายนะแต่พอเราต้องมาลื้อมาทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้อันนี้มันเป็นขยะ่ะด้ได้เอาไปทิ้งอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็โอ้ออกไปจากห้อง ในห้องก็สะอาดขึ้นในห้องก็เป็นระเบียบมากขึ้นจก็เหมือนกันนะเวลามันโผล่อารมณ์อะไรขึ้นมาเนะี่ยถ้าเราเห็นนะ่ะมันเหมือนแบบนั้นเลยเหมือนเราได้เคลีย์สิ่งที่มันมันสกปกหรือเคลีย์สิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปจากจิตใจค่อยๆออกไปเรื่อยๆนั้นถ้าเรามองจริงๆนะถ้านักปฏิบัติมองจริงๆแบบเนี้ยมันเป็นของดีนะที่เราได้เห็น เห็นเอาลงที่มันเกิดขึ้นมาเราก็จะเราก็โอ้มันโผล่ขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เห็นมันไปเรืเ่อยแต่ถ้าเราวางใจผิดอ่ะมันจะเป็นรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทาไมเราฟุ้งซ้านเยอะทําทไมมันคิดเรื่องเก่าๆอีกแล้วบึงทีเรื่องเดิมก็คิดซ้ำคิดซายู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรา ขาดสติเพราะว่าเราคิดว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของเก่ามันเกิดซ้ำอีกแล้วที่จริงนะมันก็เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันดาบของเราก็คือรู้สิที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะมันจะเกิดซ้ําอีกกี่รอบที่จริงมันก็คือของใหม่ที่มันเกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะแต่พอเราไปคิดนะอันนี้ของเก ầu, ่าหลายปีแล้ว กลับมาคิดอีกแล้วแล้วบางทีเราก็กลัวมันจะคิดต่อไปอีกนะที่จริงคือความคิดปรุงแต่งของเราเทานั้นนะที่เอาอาดีตเอาปัจจุบันเอาอนาคตนะมาผูกกันที่จริงสภาวะไม่มีอะไรมีแต่ปัจจุบันแม้เรื่องที่มันอาจจะเคยเกิดเป็นสิบปีแต่พอเราคิดในตอนนี้มันก็คือเรื่องที่ปัจจุบันนะเราก็แค่รู้ที่ปัจจุบัน ต้องการเจริญสตินี่มันมันง่ายนะอารมณ์อาจจะร้อยแปดพันเก้าอารมณ์จะเยอะแยะมากมายเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันหรอกมันเกิดขึ้นได้ทีได้ตัวนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสมมติถ้ากุฏินะกุฏิที่พักของเรานะประตูห้องมันก็จะเล็กหน่อยถ้าสาะมันก็หลายประตูนะ แต่ถ้ากุตีเนี่ยประตูมันเล็กๆใช่ไหมเราอยู่ในประตูเนี่ยเราอยู่ในห้องถ้ามีคนจะมาเข้าประตูเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาได้ทีละคนคนอาจจะเป็นร้อยเป็นพันนะแต่คนที่เข้ามาที่ประตูมันเข้าได้ทีละคนหนะ้าที่ของเราก็เหมือนถ้าเราอยู่ในห้องเราก็คนไหนเข้ามาที่ประตูเราก็เห็นเห็นเห็นอารมณ์ก็เหมือนกันนะ ถ้าเราไปแยกแยะอารมณ์เนี่ยมันก็เยอะแต่จริงมันเกิดขึ้นมาทีละตัวเกิดขึ้นมาทีละตัวแล้วก็ดูทีละตัวนั่นแหละมันก็เห็นนะเออนั้นกิเลสนะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นในทีละตัวเท่านั้นเราก็ดูมันนะนะไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่อะไรก็แล้วแต่นะี่จริงมันเกิดขึ้นใหม่ทีละขณะ นะเราก็ดูมันไปแบบนีน้ดูไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเห็นว่าที่จริงสภาวะต่างๆนะมันมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกมันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดับไปนะแม้แต่อารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของเกา่าแต่จริงมันไม่เคยคงที่นะอย่างเวลาเราคิดนะมันก็ มันก็เปลี doll, <Right. S 1> ่ยนไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องหรือแม้แต่อารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยจากโกรธน้อยนะก็โกรธมากขึ้นนก็โกรธมากขึ้นหรือก็ค่อยๆเบาลงน่ะจากง่วงก็เหมือนกันมันม่วงก็ไม่ใช่ม่วงตลอดเวลามันง่วงตับกับการง่วงน้อยลงน่หรือง่วงมากขึ้นนะมันไม่คงที่นะอมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย ถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเวลาอาตมาพูดนะ่ะก็ไม่ได้พูดตลอดเวลานะมันมีช่วงหยุดบ้างมันมีช่วงพูดบ้างนนะพูดดังบ้างพูดค่อยบ้างมันไม่คงที่เลยถ้าเราดูดีๆนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนี้ก็ก็เป็นสภาวะคล้ายๆกันแบบนั้นเนาะนะหนะ้านะที่เราก็ก็ดูไปทุกอย่าง ให้ดูแบบนี้ดูว่าตัวที่ดูตัวที่มีสติเนะี่ยก็ตัวหนึ่งอาการที่มันเกิดขึ้นก็ตัวหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนะี่ยก็ดีหรืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ดีเนะี่ยคือเป็นสิ่งที่ถูกดูให้แยกตบงนี้ไม่มีตัวดูกับสิ่งที่ถูกดูนะอาการของกายของใจเนะี่ยคือสิ่งที่ถูกดู จิตที่มีสติให้เป็นผู้ดูดูแบบนี้นบ่อยๆมันจะเกิดการแยกได้ว่าออที่จริงอาการน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึง่งเป็นสิ่งที่ถูกดูอย่างหนึง่งมันเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่คงที่มันไม่เที่ยงแต่ตัวผู้ดูเองก็ถ้าดูแล้วมันจะไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งนั้น แต่ตัวผู้ดูเองเราก็รักษาให้มันเที่ยงก็ไม่ได้นะผู้ดูก็ให้รู้คล้ายๆให้รู้เป็นครั้งเออิธีการเจิดสตจะเจน้นรู้รู้เป็นครั้งรู้เป็นจังหวะรู้แล้วก็จบไปไม่ใช่ว่าตั้งใจจะจบนะแต่มัน้าวมันจบทีลกษณะทีลกษณะนะรู้แบบจบจบนะไปทีลกษณะรู้ที่ปัจจุบันไปเยนะ เพรจริงปัจจุบันนะมันสั้นนิดเดียวแต่บางทีเราไปไา้ปัจจุบันทมันยาวอย่างนี้รู้บางทีเราแบบรู้รู้ ช, ะชะ้าช้าบงทีเราก็อยากจะให้รู้ชัดชัดนะมันก็ไม่มันจะเหนื่อยแต่จริงเราดูแบบกระชะับกระชะับกระชะนะับน่ะมันจะสบาย ไม่ว่าเราจะยกมือก็ดีนะหรือเดินก็ดีก็ให้รู้แบบกระชับกระชับขสักหน่อยนะมันจะไม่ยืด น, นะมันจะไม่ยานนะรู้แบบกระชับเนี่ยมันจะมันจะตื่นตื่นรู้สึกตัวเนี่ยมันจะตื่นนะจิตมันจะตื่นร่างกายก็ตื่นนะแต่บางทีบางมันง่วงก็จะตื่นนะเราก็หาวิธีทำไงให้มันตื่นนะทําไงให้มันตื่นขึ้นมาก็หาวิธี ขยับเนื้อขยับตัวทำนั่นทำนี่ให้มันตื่นขึ้นมาง่วงไม่เป็นไรแต่เราก็ขยับให้มันดูดออกจากความง่วงนะนะฟุ้งก็ไม่เป็นไรเราก็ขยับให้มันจิตมันดูดออกจากความฟุ้งให้กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวนะมันก็จะเห็นว่าที่จริงมันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะมันดูดได้นะอารมณ์ต่างๆ มันไม่จะเป็นต้องมันค้อบมันจิตก็ได้เราทำให้มันบูดก็ได้บูดก็ได้นะการบูดออกมาบ่อยๆนะั่นแหละเรียกว่าการมีสตินะบูดออกจากอารม์มาเป็นผู้ดูนะเรียกว่าเรามีสติแล้วนะเราเจริญสติแบบนี้บ่อยๆจากสติธรรมดาต่อไปมันก็จะเป็นมหาสตินะมหาสติแปลว่าสติที่มีมาก มีกำลังมากหรือสติเป็นใหญ่เนยสติเป็นใหญ่แต่ก่อนอลรเป็นใหญ่กิเลสเป็นใหญ่ต่อไปสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ก็ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสติเป็นผู้นำสติเป็นประธานถ้าเราทำงานนะก็ผู้นำหรือประธานก็จะเป็นคนสั่งหรือเป็นคนตัดสินเป็นคนดูแล นะภายในบอดิตัด ภ, ภายในหน่ยงานต่างๆถ้าสติเราเป็นใหญ่นะสติก็จะดูแลกายใจนะสติก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับกายกับใจนะี้แต่แต่ก่อนกิเลสเป็นใหญ่เนี่ยโอ้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหัวหน้าเรานะี่ถ้ามีกิเลสมากเนี่ยก็ พาเราไปในทางทางกิเลสนะเป็นหลักนะแต่ละวหัวหน้าเรามาในทางธรรมะเยก็ <c oughs> พาเรามาทางธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสติเป็นใหญ่เนี่ยชีวิตจิตใ จ, จก็ก็จะมาในทางธรรมะน้อมมาทางนี้เองเรื่อยๆนะนะค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆดูไปทําไปบางทีก็เห็นใจนะเวลามาปฏิบัติทําแค่สองสามวันเนี่ย บางทีบางคนใหม่ๆเนี่ยหรือบางคนล้างนานๆเนี่ยก็ ย, ย, ยังประบัติยังไม่ค่อยยังไม่คันจะได้อารมณ์เท่าไหร่ละก็กลับละเพราะบางทีเราสอนปฏิบัติเราจะรู้บางทีสองสามวันเนี่ยมันเป็นช่วงปรับตัวมันเป็นช่วงเหมือนคล้ายๆค่อยๆค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะแต่ถ้าวันที่สามวันที่สี่ขึ้นไปนะเอก็เริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มได้อารมณ์ปฏิบัติะ พรปฏิบัติที่ที่ได้ผลดีดส่วนใหญ่ก็อย่างว่าเจ็ดวันนะมันเหมือนมันได้เห็นสภาวะมากขึ้นมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าช่วงสองสามวันนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโยมปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เอาต้นไม้ออกจากถุงออกจากกรนะถางตรงดินนะจะเห็นต้นไม้มันยังแบบเหียวๆเยอะมันยังยังไม่ค่อยแบบติดกับดินเท่าไหร่ยังไม่ค่อยติดกับสภาพอากาศใหม่เท่าไหร่นะมันก็ยังแบบ เหี่ยวๆบ้างหรือว่าก็คงที่บ้างแต่พอถ้ามันติดแล้วครนนี้มันจะงามมันจะโตมันจะแตกดอกออกใบขึ้นมามากขึ้นที่ปฏิบัติทำสองสามวันมันก็ก็อาจจยังไม่ค่อยได้แต่ภาวะนะเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าดีนะะทําไปเถอะนะแม้มานกีมันยังยังไม่ค่อยได้อารมณ์ที่มันเพลินๆหรือที่มันทําได้เรื่อยๆนะ ก็ไม่เป็นไรก็ให้เราดูอารมณ์ที่มันอาจจะเป็นความเบื่อความง่วงแต่ก็พยายาอยู่กับมันให้ได้นะพยายามเอออย่าให้มันครอบงำจิตใจอย่างน้อยเราก็ได้ทำความเคียง น, นะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นกิเลสอย่างน้อยเราก็เรียกว่านะไม่ทําตามใจนะไม่ทําตามติ่งที่มันมาเยื่อยวนต่อไปแล้ว เราก็ได้ฝึกตรงนี้ละมันเป็นบารมีนะที่ถ้าเราสะสมเรื่อยๆนะพอเราทำให้จิตใจเข้มแข็งจิตใจตั้งมั่นนะแล้วถ้าเราจับดักได้นะโอ้พอเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็แค่ขยับตัวจิตก็ดูตอกใจอารมณ์ลแล้วก็เอาไปใช้ชิตในชีวิตประจำวันของเราก็ได้นะนะให้เราค่อยๆฝึกหัไปนะแต่ว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆแนะนํากัน ต่อไปนะนะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อน